อ่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเามรับตอนนี้ก็คงเข้าเรื่องพระเวสสันดรเมื่อสองตอนที่แล้วมาต้องเล่าเหตุมาซีก่อนพระวิมิฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังจะขายข้อเท็จจริงไป เป็นว่าเรื่องส้นดอนตนนี้ท่านในนามว่ากันทศพรแต่เรื่องกันกันนี้จะบอกต่อไปหรือไม่บอกก็ไม่ทราบเพราะว่าถือว่ามีความไม่จำเป็นเป็นนั้นว่าวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสตรนาสมาสัพทธเจาทร <c oughs> งได้สันดับเสียงพระคุยกันปรารภหลวงผลิปุกระพัดแล้ว องค์สมเด็จพระปัะทีตแก้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าหาักพระพระองค์จะทรงโปรดตัดเรื่องเวชพระเวชสั้นดอนชาดก <c oughs> สมเด็จพระบรมมาสุโคตอยินดีทรงสมเด็จจากพระมหาวิหารไปสู่นาที่นั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ปูอัธนะสวายองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงประทับนั่ง แล้วก็ถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุส่์ทั้งหลายเวลานี้เธอสนทา น, นากันในเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรทิ้งความมหัศจรรย์ที่องค์สมเด็จพระทสง์ทั น, สนแสดงวัรมเทศชนาโปรดหมู่พระบุญธิราชในที่สุดบรรดาฝนโปรกระพายก็ตกลงมาเป็นของอัศจรรย์ ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระสงรงทันได้ทรงตรัสว่าการที่ตถาคตมีบารมีเต็มแล้วและก็สามารถทำผลให้ปโปกรพัตตกมาได้นี้เป็นของไม่อัศจรรย์ <c oughs> สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าในสมัยที่ตถาคตนั้นมีบารมีไม่เต็ม ยังบำเพ็ญบารมีอยู่สามาร ถ, ถารทำผลผลิตให้ตกลงมาได้นี่จึงเป็นของอัศจรรย์การเมื่อองค์สมเด็จประสงฆ์ทันบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบัณฑิบแก้วก็สงนิ่งอยู่บรรดาพระสงฆ์ทั้นหลายจ้งได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระบรมครู รัดความเป็นมาในเรื่องนั้นสมเด็จพระพระกักวันจะเล่นนำมาเรื่องเล่เาเรื่องพระเวสสันดรชาดกต่อไปพ <c oughs> ระองค์นี้ทรงเริ่มเรื่องว่าในกาลครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระ น, นามว่าพระเจ้าศรีวิราชบร ม, มกษัตริย์ทำบาตรเท้าเธอปกครองเมืองมีนามว่าเมืองเชษกุดดอ มีพระราชโอรสนามว่าสนชัยแมรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เข้าตนเสียแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาระใช้ได้เมื่อเจ้ากรองสนชัยราชบรมานทรงเจริญวัยพระรา ช, ชวิดาได้บิเศษสมรสกับพระราชชิดายของกษัตริย์มตาราชพระนามว่าผสดสีแล้วก็ยกราชสมบัติให้ครอบครองเป็นพระเจ้า เป็นพระครอบครองนะพระเจ้าสนชัยมีพระ น, นางผดสดีเป็นเอกะกะวรเหสคคีครองกรุงครองกรุงกุฎเชดอนต่อมา <c oughs> อันนี้ตอนนี้ท่านกำมาเล่าเรื่องของประวัติของพระ น, นางผสดสนีว่าทําไมพระ น, นางผดสดีจึงชื่อว่าผสดสนี เราว่าทำไมพระ น, นามผุสินดีจริงจะเป็นพระพุทธเป็นพระพุทธมารดาเร <c oughs> ื่อว่าท่านผุษดีองค์นี้นา ม, มาภายหลังมีนามว่าพระนางศิริมหามายาราชเทวี <c oughs> ตอนนี้นางเสียดึงขึ้นต้นองคเนี่ยโดยมากถ้าไม่เคยขึ้นตามบาลีทรง ง, ง, ง, ง, งงเหมือนกันเอาละ ว, ว่ากันต่อไป <c oughs> เป็ น, น้นววาพระนามพสษดีนั้นมีเหตุการณ์ในอดีตชาติทีนกล่าวว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งมีนามว่าพระวิปัสสีทศพลพนาได้ทรงถวายซึ่งกับสาการะบูชาอาธิฐานขอพอรไว้ด้วยกันนะอธิฐานขอพอรไว้วสิบประการด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่าเป็นความจริงทงดังคำอธิษฐานมีเรื่องเล่าโดยยอดะภิสดาลว่าดัางนี้แต่ความจริงการขอพรนี่เขามันต้องขอประทานอําไพท่านพระตบริษัทหยิบหนังสือขึ้นมาก็มาอ่านเลยรู้สึกว่าท่านผู้เรียงหนังสือนี่เรียงเลอ ะ, ะเป็เส้นหน่อยตอนสิบรายการนี้ไม่ได้ขอกับพระพทธเจา้าท่านขอกระเพีย เป็นอะไรที่พูดมาแล้วในขอผ่านไปรู้สึกว่าท่านผู้เขียนหนังสือนี่จะเป็นหัวสมัยใหม่เกินไปเสียแล้วฤริดรอนตัดทอนความดีขององค์สมเด็จตระสมาสัมพุทธเจ้าแถ้าแต่มาก็เร็วก็คิดว่าท่านเขียนถกหยิบมาก็อ่านเลยหรือไม่ได้เรื่องกันตอนนี้เข้าเรื่องจริงจริงนาทีเอากันให้ถูกเป็นว่าอไในสมัยหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีทศพล <c oughs> ในเวลานั้นมีพระราชาท่านหนึ่งมีนามว่าพันธุมราชผู้ครองนครพันธุมวดีนครแล้วพระราชาในทรงมีพระราชาิดาอยู่สององค์ด้วยกันบางเอิญก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์อีกนครหนึ่ง ทรงของขวัญที่เราเรียกกันว่าเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจา้าพุทธมาพันธุมรดสองสิ่งด้วยกันไอ้ <c oughs> ของสองสิ่งนั้นที่เขาเขาให้เขามาถวายมานั่นก็คือหนึ่งพวงมาลาทำได้ทองคำล้นล้นราคาประมาณหนึ่งแสนเหรียญสมัยนั้น แล้วก็จุนแก่นจันทร์ที่มีกลิ่นหอมมากก็ราคามากเหมือนกันพระเจ้าพันธุมาราชจึงพระราชทานของทั้งสองอย่างนั้นคือพระทานแก่นจันทร์ให้แก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ <c oughs> และก็พระราชทานพวมาลาทองคําแก่พระราชธิดาองค์น้อยพระราชธิดาทั้งสองจึงได้มาดมิว่า ของทั้งสองอย่างนี้เราก็มีแล้วครบทุกอย่าง <c oughs> จุนกันจันท์เราก็มีแล้วเครื่องทองคําของเราก็มีถ้าเราจะเก็บไว้ใช้นี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเพราะของมีอยู่มากจึ่งได้มาดําำริว่าจําจะเราจะนําระดไาวาส้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมพนามวิปัสสี เพื่อหวังผลในชาติหน้าต่อไปสำหรับวิธีถวายนั้นพระราชธิดาองค์ใหญ่ <c oughs> ได้ทรงบดแก่นจันให้เป็นผงหอมน่าเนื้อละเอียดบรรจุลงในพระอบทองแล้วก็นำไปถวายส่วนผงที่ยังเหลือก็นำไปโปรยปลายรอบๆ บ, ร, บริเวณพระคันเดกดี ตีองสมเด็จพปัญาสีสมทัตเพื่อมีกลิ่นหอมอดกุ่มเป็นที่ชื่นใจแก่คนทั่วไปเมื่อทรงทําอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัทีแก้ว <c oughs> ถาวายน้มัเสการแล้วจินไนกราบทูลว่าพันตีพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> ผลนห่งการดีข้าพระพุทธเจ้าถวายจุนแก่นจันแก่พระองค์สมเด็จพระพู้มีพระพ่ายเจ้าก็ดีและจุนแก่นจันส่วนที่เหลือนี้โปรยปลยโปรยปลไปในเมหาวิหารก็ดีทำความชื่นใจให้คนที่มาสันดับพระธรรมเทศนาจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระมารดา ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปในการขา้าหน้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแ <c oughs> ตงสุตเวามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมพนามวิปัสสีทศพลเมื่อฉันดับถ้อยคำของนางผู้เป็นพี่ กล่าวดังพระตั้งมนโนปันฐานปัทถนาอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมัสาศนดาสมาสัมพุทิเจ้าก็ทรงตรวจอยู่ด้อำนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าต่อไปในการข้นหน้านางนี้จะได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ซึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดม และพ น, นังเองจะมีพันนามว่าสิริมหามายาราชเทวีเมื่อทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระจนสียินดีทรงตรัสให้ทราบ พ, พ น, นางก็ดีใจถวายบางคมลากลับฝ่ายพระราชธิดาองค์น้อยมัถวายพวงมลาลัยทองคำก็ได้ทรงจ้างตั้งจิตอิฐานว่าอาศัยที่หม่อมฉัน ได้นำโวงทองคำบวงมาลัยทองคำมาถวายพระองค์นี้แมห้หาวชาติน่าจะเพึ่งมีไซไดเกิดไปชาติใดชันด้นใดก็ตามทีขอบุญบรารมีนี้ในโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีเครื่องรประดับอกไม่ได้ขาดเป็นอาวองค์สมเด็จพระบรมโอรกอน่าก็ให้สาธุการ หลังจากนั้นมาพระนางแดงสองพระราชีวินาพระราชมัรดาและพระพุทธเจ้าการล่วงมาพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็นิพพานพรนางแดงสองก็ตายท่องเที่ยวไปในสวรรค์ชัน้นเทวโลกก็ปรากฏว่ามาถึงกับนี้ที่องค์สมเด็จไปชินาสีบรมศ า, าสนดาสมม า, ส, าสัมพุทธเจ้าสมพัะนามว่ากุขุสนโททรงบัขึ้นในโลก พนานทั้งสองก็ลงมาเกิดจากฟ้าจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกส า, พาวพระเจ้ากิงกีราชบรมกษัตริย์ต่อมาพระนางผู้เป็นน้องผู้ถวายพงมาไหลพระ อ, องค์สมเด็จ พ, พระสัมมาสัพพะตะเจ้าสมุนนาวิประสีทศพล <c oughs> ปรากฏว่าพระนางฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วบรรลุอร่าตาผลนิพพานในชาตินั้น สำหรับท่านผู้พี่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปที่ดาองค์ใหญ่นะตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ช่นดาวดึงสเทวโลกไปเป็นชายาของพระอินทร์ไปเกิดบนสวรรค์นะมีร่างกายหอมมันก็กลิ่นจันได้เป็นเ อ, อกอัครมเหสีของเท้าสกะเิวราชน์ <c oughs> เซ่วยความสุขอยู่ชาานาน ตอนสุดท้ายจนจะหมดบุญวาสนาบารมีท้าโกสียินในตัดเตือนว่าน้องนางเธอจำเป็นจะต้องจุติไปเกิดในมนุษยสโลกแล้วถ้าหากว่าน้องนางจะมีความประสงค์อันใดก็ขอได้โปรดขอมาพี่จะประทานพรให้ตามความปรารถนาของเธอนี่เป็นอันว่าท่านมีบุญ มีบุญที่ทําไว้ในมนดาท่านพุทธบริษัทและท่านก็นบริกาศว่าท่านต้องการเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งและการที่รอเป็นมารดาของพระเจ้านี่ต้องใช้เวลา <c oughs> ตอนนี้ก็มาเป็นชายาของพระอิน์ก็ดีแล้วแต่ว่ัฒนาบารมีจะหมดคือขาดอายุจากการจะอยู่บนสวรรค์ จำเป็นที่ต้องมาเกิดในมนุษย์โลกแต่ว่าอาศัยความดีที่บำเพ็ญบารมีมาย่อมจะสามารถเลือกที่เกิดได้ตามอธัธยาศัยแล้วถ้าว่าต้องการอะไรที่ตั้งใจไว้ก็จะสมิดผลฉะนั้นเมื่อเ พ, พิ่นงนาสงสารฮะมาวินบอกเธ อ, อย่างนั้นนะถ้า พระอินย์นกล่าวต่อไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำบาปก ร, รมันใดที่น่าเมื่อพระนางทรงทราบแล้วยินกล่าวกับพระอินว่าหม่อมฉันได้ทำความชั่วเอาไว้อะไรไว้หรือจึงจะต้องจดจิตจากแดนสวรรค์ไปเกิดในมนุษย์โลก <c oughs> ตอนนี้พระอินก็เห็นใจนาง จริงได้บอกว่าเธอไม่ได้ทำความชั่วไม่ใช่ว่าความชั่วจะต้องบันดาลให้เธอพ้นจากสวรรค์ดอกที่รักแต่ว่าบุญบา ร, รมีของเธอที่จะอยู่บนสวรรค์เช่นดาวเดงสเีวโลกนี่มันหมดเพียงแค่นี้เองเธอก็มีความจาเป็นที่จะต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์ท่านน้องนางมีความต้องการอะไรบ้างในสมัยที่จะไปเป็นมนุษย์จ้บอกกับพี่ พี่จะให้พรทุกอย่างและจะหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความประสงค์เ <c oughs> มื่อบันนางทราบความจริงอย่างนั้นที่ได้ขอพรขบออินอพรนิบันนางต้องการนะบันพรสิบประการด้วยกัน <c oughs> เอหนึ่งเมือม่อมอมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ในตาเขามอมฉันนี่ดำเหมือนกับเป็นเปลืกายเหมือนกับเนื้อทายฉันนั้น นี่หมายกวาว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการสวยเป็นนั้นว่าเธอต้องการให้ตาสวยพระอินก็รับคําว่าได้การต้องการอย่างนั้นให้ได้ไม่เกินวิสัยของพี่แต่บรรนางก็ขอพรข้อดีสองต่อไปว่าข้อดีสองนี่หม่อมฉันคอยขนคิ้วของหม่อมฉันนี่ดําสนิท นะแล้วก็โกงมีความงามไม่ต้องมีการตกแต่งพระอินทร์ท่านก็ยอมรับว่าสิ่งนี้ได้พี่จะบันดานให้เพราะไม่เกินวิสัย <c oughs> และข้อที่สามมันนางก็ว่าขอให้ฉันหม่อมฉันมีนามมีชื่อว่าพฤษดีนี่ความจริงเวลาเน้นท่านก็ชื่อพฤษดี เวลาที่ไปเกิดเป็นลูกข้าพเจ้าปิงกีราชก็มีนามว่าพฤษีเป็นนะว่าแม่แตเช่อนี้ท่านก็ต้องการพระอิน์ก็สมบัตทานบอกได้สิ่งนี้จะประทานให้จะให้เท่ากันหนาน า, นนามว่าพษีตามความต้องการ <c oughs> นี่ขอพรข้อที่สี่ขอมีพระโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิต ไอ้เงก็คิดว่าเสี้ยงนี้ไม่เกินวิสัยถ้าก็ให้พรก็ได้จะหาให้ตามความประสงค์นี่พรดีห้าท่านท่านขอว่าเมื่อเวลาที่ตั้งคันก็ขอใ้ญ่ค น, นิ้นนูนนะนูนออกมาเหมือนกับสตรีอื่นทั่วไปให้มีร่างกายเหมือนกับคนปกติอ่าพรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน เป็นอันว่าพอรอันนี้พระอิน์ก็สงรับว่าได้นี่ก็ขอพอรข้อดีหกตอไปว่าขอใหญ่ถันเลสองนี่หย่อนยาน <c oughs> แม้นี่มาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเกินยูที่ว่าพรเ่งขอใหญ่ขอแบบผู้หญิงเป็นอันว่าพระอิน์ก็ยอมรับวบออ่าเรื่องนี้ไม่เกินวิสัยของพี่พี่ให้ได้ <c oughs> นี่สําหรับพรข้อดีเจ็ด ท่านขอว่าอย่าให้มีผมออกแม้แต่เส้นเดียวอเอาเรื่องจริงๆนะเนี่ยขอให้มีผมดำสนิทขึ้นเย็บผมออกสักเส้นเดียวก็จงอย่ามีกระหมอ่อมฉันในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีอายุสักเท่าไหร่ก็ตามทีขอผมนี้จงดำสนิทท่านก็ยอมรับไม่ว่าต่อไปท่านบอกว่าขอพรที่แปล ข้อที่แปดก็คือว่าอย่าให้ร่างกายแปดเปื้อนไปเรืยทุเรีและ อ, อ่อนใดๆโอ้ oh, นี่ยากจริงๆนะ <c oughs> ให้คํามร่างกายไม่แปดเปื้อนไปเรืยละอ่อนทุเรีใดๆนี่ก็หมายความให้มีผิวพันผุดพองไม่มีไฟไม่มีฟ้าไม่มี ฟ, า, มมฟานไม่มีสิวไม่มีขี้แมลงวันไม่มีอะไรทั้งหมด ให้ปรากฏว่าเป็นผิวที่สะอาดพิถีิน่ารักกับบคุคคลทั่วไปเป็นอ น, นว่าพท้าโกสีสกั ล, ลัตทั้งเรีว่าที่เรียกว่าเท้าศสาสนายก็ยอมรับ่อพรข้อดีแปดในพี่ให้ได้ตามความประสงค์แต่ขอต่อไปว่าขอพรที่เก้า ว่าม่เกิดเป็นคนแร้มีอำนาจสามารถจะปลดเรื่องคนโทษที่ถึงประหารชีวิตให้พ้นจากโทษได้พร้อิงก็ส่งรับว่าได้สิ่งนี้ไม่เกินวิสัย <c oughs> ต่อไปถ้าก็ขอพรที่สิทธ์ว่าขอให้ได้เป็นเอกอักรมเสีของพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นสีวิ พระ อ, อิน์ก็สมพระราชทานวาอันนี้ได้ไม่เกินวิสัย <c oughs> เว้นนั้นว่าพระนางขอพร น, นั้งสิบประการนี้แล้วใซ้พระ อ, อิน์ก็รับได้ทุกอย่างพระนางก็จุติจากสวรรค์นงมาสู่เมืองมนุษย์ได <c oughs> ้ความจะตอนนี้ชื่อว่าการที่ที่เรียกว่าทศพรทศพรคือพรสิบประการก็จบแต่ว่าการบันทึกเสียงหรือว่าการพูดในที่นี้ไม่จําเป็นต้องจบ ตามกันตอนนี้เป็นเรื่องกันหิมพผ่านตั้งกล่าวว่าเมื่อพระ น, นามโพสดีเทพธิดาได้รับพรสิบรายการจากพระอินทร์แล้วก็จุดติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ถือบริสุทิในคันของเมเอศีข้าพระเจ้ามัทราชเมื่อออกคลอดออกมาแล้วจึงได้มีนามว่าโพสดีตามที่ขอไว้ พอมีพระชนอายุได้สิบหกปีก็พอดีมีพระเจ้าศีวิราชแห่งหนครเชียงุดอทรงส่งทูดมาสู่ขอให้เป็นแม่สีของพระเจ้ากรุงศุนนักเจ้าเป็นแม่สีของสุนชัยราชกุ ม, มารตอนนี้ยังเป็นโลกชายเขาอยู่ <c oughs> ให้เป็นแม่สีของสุนชัยกุ ม, มาร เมื่อสนชัยกุ ม, มารได้เป็น ก, นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาจากพระรจชวินดาเขได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครมเหสีเป็นยอดนารีห่งเมืองเชกุดอนเป็นนั้นว่าพรทั้งสองบริการนี้ท่านได้ครบทวนเท่ากายหรือร่างกายคนได้เมื่อนพนามพดาดผีได้เป็นเอกอัครมเหสีพระเจ้ากรุงเชกุดอนในรฝงสีวีแล้ว ก็เป็นว่าพรสิบประการนั้นสำเร็จสมได้การทั้งเก้าอย่างคือว่ามีรูปรา่างหน้าตาสดสวยอะไรต่ออะไรก็ได้หมดครบเวลาตั้งคันก็เหม็นไม่นูนก็ยังมีอีกประการเดียวก็คือประการที่สี่ที่ขอยมีพระราชอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิต พระอินยังได้นั่งคิดว่าเอพรี่ข้อ น, นี้จะครบสิบนี่จเจ้าใครไปเกิดดีเนาะ <c oughs> และมีเทวดาองค์ไหนบ้างที่จะมีจิตใจประกอบบรทานการกุศลถือการให้ทานยิ่งกว่ารักการให้ทานยิ่งกว่าชีวิตของตนอ <c oughs> จึงได้คิดว่าหนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ ที่อยู่ที่ชั้นดุสิตจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจให้เต็มยังมีอยู่และต่อไปทีได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าและสำหรับพระเทพระบุตรของนั้นก็มีบุญบา ร, รมีใกล้เคียงที่เยียเต็มถ้าไปบำเพ็ญบา ร, รมีชาตินี้ชาติเดียวก็จะมีบา ร, รมีเต็มต่อไปก็จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นนั้นท่านยิงตั้งใจไปรัตนาหล่อพระบรมภงค์โพิสัตว์ในตอนนี้ให้นามัสันตุสิตาเทพบุตรคือว่าไม่มีชื่อจริงๆ <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อตรงๆบอกว่าเทพบุตรที่ท่นดูสิทตเนี่ยเป็นหะน่อพระบรมภง์โิสฎษให้ลงมาจุติถือปฏิสนธิในไทรคันของพนาง พอพระนางทรงแพ้พระขันก็มีความประสงค์ที่จะบริจาคทานเป็นกำลังอ่านี่เป็นกำลังของเด็กนะ <c oughs> <c oughs> เด็กที่มีบุญเราไม่เกิดในขันของบุคคลใดใจของแม่ก็อยากจะทำบุญเนตามที่ก็บอกว่าท่านเด็กคนใดมาจากพรมเมื่อเวลาสูข่คขันมารดา มันดามีการแพ้ท้องอยากจะกินผลไม้เขาว่าอย่างนั้นนะจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบแทนเด็กคนใดมาจากสวรรค์ที่เวลามันดาตั้งคันแพ้ท้องก็อยากจะกินของหวานเด็กคนใดมาจากอบายภูมิและเวลาที่มันดาแพ้ท้องก็อยากจะกินของสดของข่าวเขาว่าอย่างนี้จริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบ แปลว่าสำหรับ น, นางพฤษดีนี่เวลาแพร่ทองปรากฏว่าอยากจะให้ทานเป็นกําลังที่ต่างจากที่โบราณเขากล่าวไว้จิ <c oughs> ้งลีขอให้สร้างโรงทานนะขอพระราชทานจากพระราชสวามีว่าขอให้สร้างโรงทานขึ้นสักหกแห่งด้วยกันคือที่ประตูพระนครทั้งสี่นะแล้วก็ที่ประตูพระราชวังหนึ่ง อรวมเปนห้าแห่งด้วยกันหกเอาที่ไหนแล้วกลางพระคนครอีกหนึ่งเอาเป็นหกคนแล้วกันรวมเปนหกแห่งด้วยกันแล้วก็บริจาคทานแกคนยากจนเสมอมาจนถึงกําหนดทศมาศจครอดก็ทรงปรารถนาจ ะ, สะเสด็จทอดพระเนตรพระนครพระราชาจะตกแต่งพระคนครเป็นการใหญ่ให้ซีความสวยสดงดงามเพื่อความสบายใจของพระมเหสี <c oughs> ขณะที่บรรนานทอนดพระเนศพระเดชทอดพระเนศพระนครอยู่นั่นเองก็พอพระเดชถึงถนนเวศสวิถีเวศสวิถีนี่ก็แปลว่าถนนพ่อค้า <c oughs> ในที่บางแห่งก็าแปลว่าตรอกพ่อค้าก็ประสูติพระราชบุตรโดยการหั น, นพระราชาทรงทราบทรงสมานัดดีใจ ย, ยิ่งนักจึงแต่ให้ราชบุตร จะไว้ความมรคคาอย่างเต็มที่พระราชพระราษฎรพระญาติพร ะ, รพร ะ, พระวงศ์ทั้งหลายจึงได้ขนานานามพระราชบดีว่าเวสันดนครคําว่าเวสันดรแปลว่าเกิดในระหว่างถนนของพ่อค้าในวันเดียวกับที่พระเวสันดอนประสูตินั้นก็ปรากฏอนางช้างตัวหนึ่งเหาะมาแล้วนํามาลูกช้างเผือกมนแล้วทิ้งไว้ในโรงช้างอ ชางเผือกตัวนี้เป็นเผือกล้วนที่นับถือกันว่าเป็นมงคลสถีคือเป็นชางที่เป็นมงคลอย่างยิ่งประชาชนจึงให้ชื่อชางตัวนี้ว่าชางปัจจียนาคีนหรือปัจจัยนาคแต่ความจริงตามพระบาลีทิ้งกล่าวว่าครั้นเมื่อพระเวสสันดรคลอดจับประคันพระมารดา <c oughs> ได้กล่าววาจากับพระมารดาว่าอามะฆ่าแต่แม่มีพระราชทรัพย์ปันใดบ้างไหมขอให้เขาบอกพูดขอขอา้ขอาไปเจ้าหนึ่งพันขา้าไปเจ้าจะให้ทานแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ที่นำ อ, มอามาอ่านปรากฏว่าท่านตัดทิ้งไปเห็นจะเกิดความสงสัยว่าเด็กเกิดในวันนั้นจะพูดได้ยังไงอาจจะพูดไมาได้ถ้าจะสงสัยแบบนี้ก็ได้ เพราะว่านานๆเข้ากำลังใจของคนจะเสี่ยมลงการจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปเสียทุกอย่างก็ไม่แน่ใจฉะนั้นจึงไม่กล้าจะพูดอะไรมากเกรงว่าจะเฝือ่อจึงไม่กล่าวไว้อรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเ <c oughs> สาหรับตอนนี้มองโดยเวลาก็หมดพอดี ก็ยังข อ, อยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลส้นสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี